มันร้อนเปรียบดังร้างสุมราไฟแผดเผาเปรียบดังเหงาเข้ามาในใจของฉันร้อนรุ่มเลือเกินที่จะเดินต่อไปก็คงไม่ไหว หมดความร้อนที่มีมีเธอคนเดียวสุ้มแน่นในอกอยากจะลบพาเธอออกจากใจฉันแต่แล้วฉันก็ทำไม่ได้ ที่มีใจหมดใจให้กับเธอคนเดียวและฉันขอยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำเฝ้ามองเธอทุกเวลาใกล้เธอไม่ห่างสายตาฉันทำ ทำได้เพียงเท่านี้หมดหมดแล้วกับไฟรักของฉันเหลือแค่เพียงเศษเท่าผงคลิ่นควันขอเธออย่าลืมอดีตความรักเรารอดสุม รักลวงลวงฉันเจ็บใจ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 ฉันทำทำได้เพียงเท่านี้หมดหมดแล้วกับไฟรักของฉันเหลือแค่เพียงเศษเท่าผงเปล่นควันขอเธออย่าลืมอดีตความรัก ขอเธออย่าลืมอดีตความรักเรารอดสูงสูงรักลวงลวงฉันให้เจ็บใจ